สวัสดีครับกับผมธนแพทย์นัทพงศ์ตนกวิรุลเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นะครับเผยแพร่ทาง w w w ร์ไวย์เว็บเพียวธรรมะคอมรายการจะเป็นการสนทนาธรรมนะครับตอบปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมโดยอาศัยหลักพุท ธ, ธวจนะซึ่งทางรายการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูลอาภิปุญโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดขุดรนธานีมาร่วมดําเนินรายการ กลับนักการพระอาจารย์ภพบูล์ครับบ๊วยเจริญพรตระมาก็พระภัยบูรณ์ร อ, นนอภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนไหโศตอนนี้เป็นตอนที่สองใช่ครับตอนที่สองของเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์ซึ่งเราเพิ่งเริ่มดําเนินการในการที่จะเอาธรรมะประเด็นอะไรต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญควรแก่การที่จะมาสากกักฉาคือสนทนากันครับแล้วก็เพื่อให้ความแตกฉานของธรรมะมีมากขึ้น ในคราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของเรียสัตว์ีโดยกว้างๆใช่ครับนะแล้วโครงสร้างของรายการเราตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าในช่วงแรกของรายการเนี่ยเราจะุดคุยธรรมะก่อนนะตั้งประเด็นอะไรที่เราเห็นว่าสมควรุดคุยเราก็ออกมาสนทนากันและในตอนท้ายนะถ้าเราก็จะมีการถามตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังส่งมาทางเว็บไซต์นี่แหละครับวันนี้เรามีประเด็นอะไรคุณหมอนื้อทองที่คิดว่าเราควรจะคุดคุยกันประเด็นเรื่องของพุทธวัจนะนะครับ เพราะว่าหลายๆท่านเองก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆหรื อ, อเป็นคำที่สาวกรุ่นหลังเนี่ยเติมแต่งขึ้นมานะครับอันนี้ง่ายมากพระพุทธาเนี่ยตรัสไว้เองตอนก่อนปรินิพพานนะตอนที่พระองค์เนี่ยนอนละสิยาสย า, ยานะอยู่ใต้ร่มไม้ต้นว่า ต, ต้นไม้สาระนะแล้วก็ในสวนสาระตอนปะชิมม ย, ยามราตรี นะบอกกับพระอ น, นุนบอกว่าอ น, นุนถ้ามีใครนะก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นพระหนุ่มพระแก่พระเป็นกลุ่มหรือพระเดี่ยวนะหรืออุบาสกอุบาสิกาคนไหนก็แล้วแต่บอกว่าอันนี้เป็นคําบะพุทธเจ้านะอันนี้ฟังมาจากต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนะี้เธออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งสนับสนุนอย่าเพิ่งลงใจอย่าเพิ่งคัดค้านแต่ให้กําหนดเนื้อความนั้นให้ดี คือหมายความว่าจําให้ได้ว่าเขาพูดอะไรโดยบทแพลนชนะแล้วเอาไปทําอะไรพอจำมาไว้แล้วเนี่ยก็เอาไปเทียบเทียมเอาไปตรวจสอบในประศูนเอาไปเทียบเทียงในวินัยคือถ้าใช้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cross checking ม, มีการไปตรวจสอบเหมือนอย่างนักบัญชีเนี่ยเขาจะต้องมีการเรียกว่า tally หัวหัวเขาเรียกว่าหัวบัญชีเนี่ยมาชวนกันว่าเลขตรงกันไหมอย่างเงี้ยนะเหมือนการธรรมะเราก็ทําได้โดยการเอาขัดสิ่งที่เราพูดใช่ไหม อะไรก็แล้วแต่จําให้ได้นะเอามาตรวจสอบซะกับที่เป็นธรรมะที่เป็นวินยัยถ้าเข้ากันได้ลงกันได้นะเอาเอาถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ก่อนอันนั้นไม่ใช่แน่นอนครับแต่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้อ่าแสดงว่าเขาจํามาถูกให้ทรงจําไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้นะแสดงว่าจํามาผิดให้ละทิ้งไปเสีย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการตรวจสอบอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เลยโดยสัจเป็นชนะอันนี้เรียกว่าหลักมหาประเทศสี่หรือเปล่าครับใช่ใตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าตรงนี้เป็นมหาประเทศสี่ที่เรียกว่าเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถยินโยงต่อไปได้อแล้วอันนี้เป็นคุณสมบัติจริงๆคือตัวอาตมาเองหรือว่าภิกษุที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพุทธปจนะอยู่เนี่ยมีหลายครั้งที่เราเราไม่สามารถ มีประเด็นสงสัยอยู่คือเรามีประเด็นสงสัยอยู่หลายประเด็นคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่พอเราเอาใส่สมมติฐานที่ว่าคําพุทเจ้าไม่ขัดกันนะศึกษาไปค้นคว้าไปศึกษาไปค้นคว้าไปเราพบว่าโอ้เราฉลาดน้อยไปพุทธเจ้าพูดไว้ตรงนี้พูดไว้ตรงนั้นรวมความกันแล้วโอ้โหเราฉลาดน้อยไปหมายถึงการพูดของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าต่างโอกาสต่างเวลาต่างสถานที่ไม่ขัดกันแต่สอดรับกันต้องทั้งชีวิตเลยถูกต้องตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธิ์จนกระทั่งถึงคืนที่อปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุคาของพระองค์เนี่ยไม่สอดคล้องไม่ไม่ขัดแย้งกันเลยสอดรับกันเป็นประการเดียวไม่เป็นไปโดยประการอื่นครับนที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีความสามารถมากครับ แลพระเจ้ายังเป็นคนบอกว่าแม้พระองค์นะตอนอายุ80นะใครเป็นคนบอกว่าคนอายุ80เนี่ยจะปั้มๆมเป๋เ ป, ป, ป, ป, ป๋ความจําไม่ดีไม่ใช่ตถาคตพูดไปเลยพูดกับภาษาริบุตรไหมแม่นยําำต่อให้คนหามตถาคตไปด้วยเตียงเล็น้อยสำหรับหาคนท่ทุพพลภาพแต่ปัญญาอันเฉียบแหลมม่วมงวัยแห่งตถาคตก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีมดล ด, ลดถอยไปเล ย, ไ, เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะตถาคตพยากรณ์สิ่งใดสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นจริงตายตัวไปแล้ว ไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอาการิโกใช่สมมติผ่านไปตอนนี้ก็คือผ่านมา 2,500 กว่าปีล่าไงอีกก็จะยืนโยงต่อไปถามว่าคุณผิดศีลคุณมีความร้อนใจไหมมันมีแน่นอนีเมื่อ 2,000 ปีก็มีตอนนี้มีไหมก็มีอยู่ดีคุณผิดศีลข้อสามเดี๋ยวคุณต้องระวังละมีคลิปโผล่ยูทูบไหมอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่ผิดไม่ต้องระวังรอสบายใจได้ประการที่2ที่เราจะสามารถตรวจสอบว่าสิ่งนี้เป็นพุทธวจนะหรือเปล่าเนี่ย ก็คือดูตามาการปฏิบัติครับนะาการปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ปฏิบัติก็จะมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือยังมีข้อข้องใจอยู่แต่พอเอาไปปฏิบัติแล้วแมมันเข้าใจลึกซึ้งเพราะมันเข้าใจถึงหัวใจเห็นไหมคือคือตรงเนี้ยธรรมะที่พระเจ้ากล่าวสอ น, นออกมาจากใจนะสมมุติเนา ะ, ะหมอรัตตพงศ์นั่งสมาธิไปมีอาการของจิตเป็นแบบนี้แบบนี้อ ารามานั่งสมาธิไปมีอาการของจิตเป็นแบบนี้แบบนี้2อ อ, อาการนี้อาจจะเหมือนกันก็ได้<ช>แต่การกําหนดบทพันชนะพูดอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับอของพทะเจ้าเป็นไหมเป็นพระเจ้านั่งสมาธิไปมีอาการทางจิตอย่างนี้อย่างนี้แต่กตําหนดบทพันชนะที่พระองค์อธิบายออกมาเป็นคําพูดเนี่ยมันเนียบเพราะฉะนั้นถ้าเราคําพูดที่ท่านออกอธิบายออกมาเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าฟีดแบ็คเป็นลักษณะที่ให้ข้อมูลว่าอาการทางจิตควรจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราเนี่ยต้องเอาไปทําในจิตพอเราเอาไปทําในจิตแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอยู่ในใจอันนี้คือตรวจสอบได้อันนี้กําลังที่เรียกว่าเป็นหลักของปัจจตังใช่ไหมครับรู้ได้เฉพาะตนต้องครับบางคนไม่เข้าใจว่า้จิตที่เป็นสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงเอาแค่นี้นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงทันไม่เห็นเข้าใจเลยว่า สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์ตรงไหนเอ้าก็าไอสิ่งที่ถ้าคุณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ได้เนี่ยนี่เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงนะแต่บางทีไม่เห็น <ru ble> ก็จิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณจะไปเห็นได้ไงใช่ครับจิตไม่นิ่งพอที่จะรับรู้ความจ ร, <statements> จริงใช่เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้คุณจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยครับ <C at> นอกจากไปนั่งสมาธิให้จิตเป็นสมาธิซักครับแล้วเห็นตามที่เป็นจรงิงมันจะได้ครับ <C at> นี่คือการปฏิบัตินี่คือประเด็นหนที่สองใช่คร <C at> ับส่วนประเด็นที่สาม ประวัติศาสตร์ว่าการดําเนิน<ม>การอะไรต่างๆมานี่เป็นอย่างไรครับอันนี้ผมเคยได้ศึกษามานะครับก็คือว่าการพุทธวจนะเนี่ยคือคําสวดของพระอรหันนะครับเขาเรียกว่าการสังคายนาคือครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีพระมหาการสภาเป็นผู้นําองค์สังคยนาหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยประสิทธิพานนะครับก็คือพระอรหันห้าร้อยรูปมาสวดร่วมกันคือพระองค์เคยกล่าวอะไรไว้เนี่ยก็คือ พระที่ได้ยินได้ฟังก็จะนํามาสวดมาบอกกันใช่ครับพระรูกอื่นก็จะสวดรับรองว่าจริงถ้าไม่จริงก็ตัดออกถ้าจริงก็สวดต่อต่อไป น, นั่นคือรู้สึกจะ7จวันใช่ครัผลิตัณฑ์ผลิตพาน์ราครับและหลังจากนั้นมีการสังคายนาครั้งที่2นะครับเข้าใจว่าประมาณพศ100ก็คือหลังหลังจิตจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยผลิตภัณฑ์เป็นหปีนะครับก็จะมีการสังคายนาครั้งที่2และหลังจากนั้นก็ พระเจ้าอสงหาราชนะครับก็มีการสังคายนาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดพิมพ์อ่าจัดอ่าเขาเรียกทรงอักษรบนลงเสาเ อ, อีกลงเขาเรียกว่าลงอักษรมีการลงอักษรในั้นประมาณ<อ>าาพศ อ, อ, อะไรเคยเข้าใจว่าประมาณพศ .400 ร้อยกำลังรครัําหวับ3ี0ร้อประมาณนั้นอันนี้ถ้าท่านผู้ท่านผู้ชมผู้ฟังมีข้อมูลตรวจสอบอันนี้อ่าโต้แย้งได้นะครับแต่ว่าอันนี้เท่าที่รับทราบมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเผยแผ่นะครับโดยพระเจ้าอสงหาราชก็เผยแผ่ ส่งสมณทูตออกไปนะครับซึ่งสายหนึ่งก็มาที่ดินแดนสุวรรณภูมิคือบริเวณประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับสมัยนั้นก็จะมีการเผยแพร่ตั้งแต่ยุค ข, ของหาริุูนชัยทวรารวดีนะครับแล้วก็ต่อมาสุขโขทัยอยุธ ย, ยาส่วนตัวเองได้ไปเห็นหลักศิลาจารึกของเรื่องของธรรมะโดยข้อธรรมที่เห็นก็คือปฏิจจสมุปบาทนะครับที่ ปัจจุบันยังอยู่นะครับพี่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติตรามคาแหงจังหวัดสุโขทัยได้ไปเห็นด้วยาตาตัวเองมาแล้วอันนั้นเป็นของสมัยอะไรเหรสมัยอันนั้นเป็นสมัยสุโขทัยสุโขทัยครับค ร, ครั บ, ร บ, รบลหลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่ต่อมาจนถึงยุค ข, ของราชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งหลักฐานยังมีอยู่ที่หอมุมเทียนธรรมวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ต่อมาสู่ราชกาลที่ห้านะครับซึ่งมีการ แปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับจัดพิมพ์แล้วก็ส่งไปทั่วโลกใช่ครับครับอันนี้คือที่ได้รับฟังรับศึกษามาแล้วก็ฉบับนั้นก็คือเป็นฉบับที่เราเรียมคนเรียกกันว่าสยามรัฐครับบาลีสยามรัฐใช่ไหมครับสยามรัฐประเทศเป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแม่แบบในการศึกษาพุทธวจนะใช่ไหมครับใช่ก็ที่เป็นฉบับที่ทั้งมหาวิทยาลัยมหามงกุง ราชวิทยาลัยแล S <S material ้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุลาราชวิทยาลัยเนี่ยก็นำเอาไปแปลเอามาเป็นฉบับภาษาไทยของตนเองนะแล้วก็ท่านพุทธทาตก็เอามาจากฉบับนี้เหมือนกันอ๋อครับครับที่เรียกว่าชุดหนังสือจากพระโอษรใช่ไหมครับใช่พระโอษเป็นหนังสือชุดเนี่ยเรียกว่าธรรมโคดนะแล้วก็มีห้าเล่มที่เป็นชุดจากพระโอษท่านท่านพุทธทาดีมีหนังสือธรรมโคดเป็นร้อยเล่มนะชุดธรรมโคดมีห้าเล่มเท่านั้นที่เป็นจากพระโอษ ทนะี่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ที่โดยหลักที่ว่าเฉพาะพุทธวจนะตัดมาจากบาลีสยามรัฐตรงนี้แล้วก็แปลเองรวบรวมเองเรียบเรียงเองโดยใช้ทีมงานนี่แหละก็ใช้เวลากันตึ้งยี่บกว่าปียี่สิบสอปีเท่าที่เคยสึ่อสานะครั บ, รบก็คืออันนี้คือเรื่องของพุทธวจนะนะครับก็ถึง มองว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นข้อธรรมที่แท้จริงจากสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ในประเด็นของของพุทธวจนะเนี่ยก็ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มเป็นที่สนใจนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะมีว่าเอาถ้าอย่างตัวคารวะทั่วไปอย่างเช่นมผมเองหรือว่ า, าพระพวกเนี่ยมีเรามีครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออยู่แล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเราจะปฏิบัติในเรื่องของอาการเคารพนับถือครูบาอาจารย์ไว้อย่างไรนะครับหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยนะครับพระเจ้าบอกเอาไว้ชัดเจนว่ า, าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสองทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งหน้าที่ของฆรวาสที่ควรจะมีต่อพระสงฆ์เนี่ยนะคือเปิดประตูรับนะอคอยเชื้อเชิญในการเข้าเข้าไปหา แล้วก็มีเมตตากายวาจาใจนะแค่นี้เองเราควรจะยกย่องกูบาจารย์ของเราที่เรานับถืออยู่เนี่ยด้วยข้อปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติเรื่องศีลใช่ไหมโอ้โหยกย่องท่านท่านปฏิบัติเรื่องสมาธิปัญญาแม่งควรจะยกย่องท่านนะนี่คือในเรื่องการปฏิบัติของท่านลองคิดดูหมอนัฐพงศ์คนธรรมดาอ อ, ออกบทจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนห่มผ้าย้อมน้ําฝาดปลงผมคนหนวดนะแล้วก็ไม่เอาอะไรละเราหวังสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็เป็นผู้ที่ควรจะน่ายกย่องด้วยศีลของท่านด้วยสมาธิของท่านด้วยตรรมของทานด้วยปัญญาของท่านแล้วส่วนเรื่องการสอนเนี่ยก็ต้องยกให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สอนเก่งที่สุดนะเป็นครูผู้สอนชั้นเลิศของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขณะเทวดาที่ดูยังต้องมาฟังพุทธเจ้าสอนอันที่นึกถึงบทสวดที่ เ, เราสวดกันจะมีที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนที่เลิศของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมนะเป็นผู้ที่มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์นะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรงนี้คือเป็นบทสวดที่เราเรียกว่ากิติพิโสซึ่งเป็นชุดของการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้เนี่ยเคยมีพราหมณ์องค์หนึ่งบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันต้องการจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้พูดว่าอย่างไรนะพระพุทธเจ้าให้พูดอย่างนี้กิตติพิโส ถ้าต้องการราื่อถึงพระธรรมให้ทำยังไงสว่างขาโตถ้าต้องการราเื่อถึงพระสงฆ์ให้ทำยังไงสุปฏิปันโนนี่คือคุณนะคุณสมบัติคุณลักษณะของความ เ, าเลิศ<ม>ของความดีของสิ่งสิ่งนั้นพระพุทธ<ม><ม>ดียังไงนี่ไงอิติปิโสพระคาวาะะรางสมมาสมโทโธพระธรรมดียังไงสว่างขาโตก็ว่าํามพระสงฆ์ดียังไงสุปฏิปันโนอย่างนี้นะอย่างนี้ก็คือเรา นับถือครูบาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงควรปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบก็แต่บทพยัญชนะคือบทข้อธรรมที่จะศึกษาก็คือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระสงค์เองก็ปฏิบัติตามพุทธจ้าใช่ไหมครับแล้วก็คือพระสงฆ์สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยใช้คําว่าต้องนุ่งห่มผ้าย้อมน้ําฝาดออกจากเรือนบวชนะไม่ใช่ อันนั้นพระพุทธเจาจะใช้คำว่าภิกษุครับสงสาวกเนี่ยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยโหมีหลายนัยยะมากนะที่อธิบายเนี่ยก็เช่นบุคคลที่เป็นโสดาสิกิทาอนาคาอรานนี่นัยยะที่หนึ่งอริยะบุคคลใช่อริยะนัยยะที่สองพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่มีศีลครับคนที่มีศีลเนี่ยเป็นสงสารวกของพระผู้มีพระภาคนะหมายถึงคารวะทั่วไปใช่ใไม่ต้องห่มเหลืองนุ่มเหลืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติแบบนี้ครับโอเคอ่าพูดง ถามว่าอย่างนั้นเป็นสงสาวกของพระพุทธมีพระภาคไหมใช่สงเนี่ยไม่จะเป็นที่อยู่เครื่องแบบนึกออกแต่ภิกษุต้องมีเครื่องแบบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางทีพูดภิกษุสง์บางทีพูดภิกษุอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สมคนที่มีสมาธิครับอันนี้ก็เป็นสงสาวกของพระพุทธมีพระภาคได้คือเครื่องแบบไม่เกี่ยวเกี่ยวที่คุณธรรมสาวกของพระพุทธมีพระภาคเพราะฉะนั้นใครก็ตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติ เพื่อความรู้เป็นเครื่องออกจากทุกอันนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคได้แก่บุตรคู่สี่คู่4อันนี้ก็คืออีกในยัดหนึ่งที่พูดถึงเรียบุคคลับ4ประการโสดาสกิทาพวกนี้ไปอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยจับในโอกาสต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราควรต้องยกย่องท่านแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเพราะว่าถ้าท่านไม่ทรงจําพุทธวจนะเนี่ยเราจะไม่ได้ยินได้ฟังในปัจจุบัน เพราะนั้นหน้าที่ของท่านเนี่ยหน้าที่ของอาตมาเลยพิสูจน์เนี่ยจะต้องให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังครับแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้แจ่มแจ้งนี่คือจุดประสงค์ของรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นะ ค, คือเราเอาสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังหรือไม่เคยได้ฟังมาก่อะเกี่ยวกับพุทธวจนะมาให้ได้ฟังนะแล้วก็มีการขุดคุยประเด็นโดยมีหมอรัพงศ์มาเปิดประเด็นต่างๆนะคุยหา ท่านผู้ฟังมีข้อมูลอะไรส่งเข้ามาเรามีความคิดอย่างนี้เราก็โต้ตอบกันจะทําให้เป็นการเปิดธรรที่ถูกปิดได้เป็นบริษัทอันเลิศมากนั่นเถอะครับอ๋อพระพุธทธองค์ได้กล่าวเอาไว้แล้วใช่ไหม ค, ครับบอกว่าบริษัทที่เรียกว่าทรงจําพุทธวจนะมีการถามกันไต่ถามกันว่าข้อนี้มีกี่นยัยยะมีความหมายกี่อย่างเนี่เป็นบริษัทอันเลิศนะซึ่งตรงนี้พระเจ้ า, ชาใช้กิจกรรมที่เรียกว่ามีการกุดคุยถาม ทำมากตอบปัญหากันอย่างเงี้ยนะว่าเป็นบริษัทที่มีการทำให้ร่วงกันด้วยการอสอบถามทวนถามกันเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นเพรานะฉะนั้นจุดประสองค์อีกอย่างหนึ่งของรายการนี้ก็คือว่าเพื่อสร้างกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เลิศในการที่จะมาศึกษาพุทธวจนะตรงนี้ด้วยทีนี้หากคนในสังคมเนี่ย ปฏิบัติตามพุทธวจนะเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าจะเกิดผลเช่นไรครับโอ้โหประเทศไทยนะจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเอาแค่ ง, ง่ายๆศีก่อนอพุทธวจนะเนี่ยสีนเนี่ยเป็นพุทธวจนะนะเอาแค่เมืองไทยเนี่ยถ้าทุกคนในประเทศไทยก่อนนะสามารถปฏิบัติตามศีห้าไดนะ้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกคดีความในศาลมามีเพื่อนเป็น ผู้พิพากษาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าทุกคนปฏิบัติตามสี่ห้านะคดีความในศาลจะลดลงเก้าสิห้าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็งบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยจะประหยัดลงไปได้เยอะเลยครับแค่ทุกคนปฏิบัติตามสี่ห้าแล้วก็สี่ห้ามันไม่ได้ยากเลยนึกออกป่ะสําหรับบางคนครับอคนดีเนี่ยปฏิบัติตามศีลไม่ยากครับครับเคยมีคําพูดว่า คนดีถ้าคิดจะทำดีเนี่ยไม่ยากไม่ยากแต่ถ้าคนดีคิดจะทำไม่ดีเนี่ยจะยาก จ, จะจะยากหน่อยแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยคิดจะทำดีเนี่ยจะยากถ้าคนไม่ดีคิดจะทำไม่ดีเนี่ยง่ายใช่นะครับตรงนี้ก็มีพระพุทธเจ้าที่ยืนยันอย่างนั้นอยู่ค ร, ครับผมนี้มันแก้ได้นะครับแก้ได้อยู่คือพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าจิตเนี่ยเมื่อเราคิดเรื่องอะไรมากเนี่ยติกตืเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น คือคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากใช่ไหมพอคิดเรื่องไม่ดีมากเนี่ยจิตเขาจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทำให้เขาทำความดีได้ยากทำความไม่ดีได้ง่ายแต่ถ้าคนดีเนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องดีๆในเมื่อเขาตรึกตรึกเรื่องดีเนี่ยจิตเขาจะน้อมไปในความดีเขาก็ทำความดีง่ายทำความไม่ดียากเพราะฉะนั้นถ้าคนเราต้องการเปลี่ยนทาไงคนไม่ดีต้องการมาเป็นคนดีเนี่ย คุณก็คิดเรื่องดีๆมากๆซะคุณก็จะเป็นคนดีได้สร้างมโนกรรมที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับคือการแสดงออกของมนุษย์ก็คือทางกายวาจาใจใช่ครับทีนี้กายวาจาใจนี่อะไรสำคัญที่สุดครับพระอาจารย์ครับมันก็สำคัญหมดนะครับคือคือพุทธาพูดถึงตรงนี้โดยระยะของบุญญากิริยาครับว่ากายเราใช้กายเนี่ยทให้จิตสะอาดก็ได้ ใช้วาจาทําให้จิตสะอาดก็ได้ใช้ใจทําให้จิตสะอาดก็ได้นะทีนี้ใช้อะไรที่เรียกว่าได้ผลที่สุดนะก็คือถ้าใช้สิ่งภายนอกเนี่ยทำให้จิตสะอาดเนี่ยก็เรียกว่าการให้ทานก็ทําให้จิตสะอาดได้ระดับหนึง่งใช้ตัวเรานะโดยการทําปฏิบัติตามศีลนะก็ทําให้จิตสะอาดได้ขึ้นอีกระดับหนึง่งแล้วก็ถ้าดีที่สุดก็คือใช้จิตนะในการทําความสะอาดจิตจิตในการสร้างที่กรรมดี นั้นก็จะเป็นการกระทำที่ที่ดีที่สุดครับครับทีนี้ในกรณีของพุทธวจนะเนี่ยอย่างถ้าคนที่จะเห็นความเห็นความสําคัญละอยากจะเริ่มศึกษานะครับจะทําอย่างไรดีครับอืมถ้าต้องการเริ่มศึกษาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยนะอ่าจะเริ่มอย่างไรดีใช่ไหมครับอตบาตมามีความคิดอย่างนี้ว่าเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยครับเราเริ่มที่การปฏิบัติ เอาสีนก่อนเอาสีนก่อนสีน่าพอไหมครับพระอาจารย์ครับพอเลยพอเลยสีน่านี่ดีมากแล้วแล้วก็ปฏิบัติให้ให้ให้เต็มที่ให้ดีแต่ไม่ใช่ว่าถ้าวันไหนเราปฏิบัติตามสีไม่ได้เกิดความไม่พอใจด่าลูกด่าเมียด่าหัวด่าคนรอบข้างใช่ไหมเราก็อันนั้ก็จะผิดสีนี่เราด่าเขาก็ไม่ดีนะไปผิดมากเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามเท่าที่เราทําได้ไปก่อน ในที่นี้คือเรื่องของการปฏิบัติแล้วเรื่องของการศึกษาล่ะใช่ไหมเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนโดยหลักของพุทธวจนะก็คือเอาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยมาอา่านเอาตรวจสอบดูหนังสือธรรมะในบ้านมีไหมไม่มีหรอไปหามาใส่ไปหามาอา่านสิ่งที่เป็นพุทธวจนะถ้ามีใช่ไหมลองตรวจดูอันไหนเป็นพุทธวจนะบ้างอันไหนไม่เป็นบ้างคืออ่านเนี่ยมันตรวจสอบดูได้เลยอย่างที่เราได้เคยกล่าวมาในตอนที่1นึ่นะ ว, ว่าให้ลองดูว่า อันนี้สอดรับกันกับธรรมะหมวดอื่นไหมหรือว่าดูง่ายๆครับ อ, อันนี้มีขึ้นต้นด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายหรือเปล่าครับถ้าขึ้นต้นด้วยภิกษุทั้งหลายหรือว่าสารีบุตรหรือว่าอานน์หรือว่ากัญจานะอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพุทธวัจนะแต่อันนี้หลังๆเขาก็มีการแต่งเพิ่มนะก็เอาภิกษุทั้งหลายนั่นแหละมาใส่หัวแล้วที่หลัง ตามมานี่ก็ไม่ใช่พุทธวจนะก็มีในเรื่องของตำรับตํารานี่จะหาซื้อหาอ่านหรือหาได้ที่ไหนครับในการศึกษาของอาตมาเองนะอาตมาก็ใช้เล่มที่เป็นหลักนี่ก็คือธรรมโคตของท่านพุธทธทาสห้าเล่มแรกสี่เล่มแรกสี่เล่มมันจะมีเบอร์หนึ่งสสามซึ่ง4ี่เบอร์นี่มี5้าเล่ ม, ม, ลมนะก็คื อ, อพุทธประวัติจากพระโอสถ อ, อริยสัจจากพระโอส์ภาคต้นภาคปลายแล้วก็คุมทรัพย์จากพระโอส์ แล้วก็อันสับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นปฏิจจสมุบาทจากพระโอษฐ5เล่มนี้ที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาในขณะนี้ครับแสดงว่าชุดของอริยสัจจะมีอริยสัจภาคตนหนึ่งเล่มภาคปลายหนึเล่มก็จะรวมเป็น5เล่มถูกต้องสี่เบอร์ซึ่งอันนี้หาซื้อได้ที่ธรรมสภาอยู่ที่ตรงตลิ่งชันครับแล้วก็ซื้อชุดหนึ่งนี่เขาจัดส่งทั่วประเทศฟรีครับแล้วถ้าเกิด ผมเคยเห็นครับชุดนี้จะเป็นหนังสือหนาๆที่มีประโยชน์มากทีนี้ถ้ากรณีที่อยากจะย่อยหนังสือเล่มเล็กหรือ Pocket ็ตบุปัจจุบันมีไหมครับ อ, อ๋อหนังสือ Po อกเก็ตบุปัจจุบันเนี่ยก็มีท่านอาจารย์คือกริชสโติ์ติพโลท่านได้ทําไว้เป็นหนังสือ Po อกเก็ตบุประมาณสิบชุด10เล่มที่จัดเรียงพิมพ์มาไว้เอาจาก5เอาจากพุทธวัจนะเท่านั้นมาจัดใส่เป็นหมวดหมู่เช่นเรื่องของอาณาปานาสติเรื่องของม้าแ8 เรื่องของโซดาบันเรื่องของการที่วิจัยแก้กรรมแก้แก้กรรมอะไรต่างๆรวบรวมเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้ย่อยได้ง่ายศึกษาได้ง่ายตรงนั้นก็มีแจกที่วัดนาป่าพงหรือว่านำลูกาคลองสินธ์ลลูกาคลองสิแล้วก็วัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิทหรือว่าตามท้องตลาดก็จะเห็นอีกสักสองสามเล่มที่เป็นพุทธประจนาก็มีอยู่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่ท่านสนใจเรื่องพุทธปจนะ ท่านก็ได้ทําหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธวจนะมาก็มีเนี่อยู่สองเล่มอยู่นะครับขอทราบชื่อหนังสือได้ไหมครับอันนี้หลานมาต้องไปตรวจสอบนิดหนึ่งคือเราสามารถดูได้เลยพอเปิดลิกดูเนี่ยอ๋อนี้มีแต่คำพุทธเจ้าทางนั้นเลยก็ก็จะมีได้ซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจะขอรับได้ก็ที่วัดนาปภงก่อนเลยหรือว่าถ้าจะไปถึงห้าเล่มใหญ่ก็ที่ธรรมสภาได้นะหรือว่าในเพียวธรรมะของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะพุทธวัจนะขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับ สำหรับการตรวจสอบพุทธวจนะท่านก็คงได้รับรายละเอียดจากพระอาจารย์ภัยบูลแล้วนะครับก็คือมีส่วนของการตรวจสอบทางโลกและทางธรรมนะครับทางโลกก็คือปัจจุบันเนี่ยจะมีการาพิมพ์หนังสือนะครับซึ่งสามารถหารับได้ทั้งจากาชุดจากพระโอษฐ์หรือว่าชุดที่มีเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับซึ่งจะทำโดยวัดนาปภงนะครับ หรือสามารถตรวจสอบโดยการใช้คอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันมีการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถตรวจสอบทาพุทธวจะนะได้ภายในเวลา1นถึงสวินาทีนะครับใช่ใชครับอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาใ น, ในการศึกษานะครับส่วนในการตรวจสอบทางธรรมก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับซึ่งรู้ได้เฉพาะตนหรือปัจจุตันนั่นเองนะครับตรวจสอบว่าข้อธรรมอันนี้เนี่ย สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ได้กล่าวหรือตรัสเอาไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยก็สมควรแก่เวลานะครับ ใ, ในคราวหน้าเรามีเรื่องของรายละเอียดอริยมรรตมีองค์8นะครับซึ่งเป็นหัวข้อทำหัวข้อที่ใหญ่และก็ส ำ, สำคัญมากนะครับอริยมรรตมีองค์8 ก็จะลงรายละเอียดของมรรคแต่ละองค์นะเราจะเจาะลึกไปเลยว่าสัมมาทิฏฐิคุณต้องรู้อะไรคุณต้องไม่รู้อะไรคุณต้องระวังอะไรแล้วทำยังไงต่อไปบ้างเพื่อที่จะให้การปฏิบัติของเราเนี่ยไปได้ดีเพราะฉะนั้นให้ข่าวต่อไปตอนที่3ก็มาติดตามฟังเรื่องของสัมมาทิฏฐิวันนี้ก็ขอเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็มีคําถามใดๆก็ส่งมาได้ที่เผียวธรรมะแล้วก็พบกันในตอนที่3ต่อไปเจริญพรสวัสดีครับ